Samma dithe, samma sankappa. ภานาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนี่ยตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลกันอย่างต่อเนื่องเนาะทีนี้ในสภาพที่เรามาอยู่ในสภาพที่อุตุอาจจะไม่ค่อยสปายะต่อการเจริญกุศลเท่าไหร่อุตุมันมีสองสภาพใช่หคือความเย็นกับความร้อนทีนี้ถ้าร้อนมากเกินไป บางท่านก็บาปอากุศลธรรมก็จะเกิดเยอะถ้าเย็นมากเกินไปบาปอากุศลธรรมก็จะเกิดเยอะนี่เนถ้าปรับอุตุไม่เป็นสปายะนี่ก็จะเป็นโทษของการทัดเราเพราะสปายะมีหลายอย่างใช่ไหมอาวาสสปายะหรือไม่ที่อยู่คำ ว, ว่าสปายะในที่นั้นเน่ะเขาแปลกันว่าสบาย อุตุสปายะอาหารสปายะแล้วก็อียบทสปายะไหมบุคคลที่อยู่ด้วยสปายะไหมธรรมะที่เราฟังเนี่ยสปายะหรือไม่เนี่ยสปายะนี่แปลว่าสบายแต่หลายท่านแปลว่าสะดวกแปลยังไงดีต้องใช้คำว่า เกื้อกูลต่อการที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะเจริญกุศลเป็นอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นน่ะแกกุศลและทำได้ง่ายไหมเป็นปัจจัยแกศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นปัจจัยแกศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาหรือไม่ถ้าเราอยู่ณสถานที่ใดเนี่ยศรัทธาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น วุริยะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสติที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญไพบูร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าสปายะเนนที่เขาเรียกอาวาดเลยที่อยู่สปายะทีนี้มันก็อยู่อีกนะว่าถ้าเราไม่รู้จักว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอันนี้ก็กลมัมบา ทีนี้ในชั้นของการศึกษาคำสอนเนี่ยโดยเฉพาะการขัดเกลาการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถามว่าถ้าเราเข้าใจแต่ก่อนเรามาเคยตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะว่าแต่ก่อนเราไม่มีข้อมูลก็ปรารถนาอยากมีข้อมูล ซึ่งมีอยู่ยุคหนึ่งนะอามาเป็นผู้ที่ไขว่คว้าหาข้อมูลเยอะวิ่งหาข้อมูลเนี่ยนะแต่พอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือม่เออมีปัญหาเอามาใช้ในชีวิตจริงๆเอามากันไม่ได้เอามากันเป็นรูปแบบปฏิบัติไม่ได้แล้วก็วิ่งไป ฉะนั้นบรรดาคนในกลุ่มผู้แบกข้อมูลเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงนี้ที่ไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปถึงอัตถะและพยานชนะได้อย่างครบถว้วนคือบางทีเนี่ยถ้าเราจะหามุมยุติใช่หมหนึ่งัทธายุตินี่ยุติกันที่สัพท์และพยานชนะสองอัถายุติ หาข้อยุติกันที่อัตถะหรือเนื้อความแต่สภาวะยุติเลยการจะเข้าถึงสภาวะที่แท้จริงน้นอ่ยนที่มันมองไม่ถึงฉะนั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือก็ต้องทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจให้ชัด ตรงนี้ก็คืออยากจะให้มุมวิธีคิดว่าถ้าเราเนี่ยนะปรารถนาที่จะเข้าใจในเรื่องอะไรถ้าปรารถนาอยากจะเข้าใจว่าสภาพของศรัทธาเนี่ยเกิดกับเราหรือไม่โดยตรงไหนถ้าปรารถนาอยากจะทราบว่าศรัทธาเกิดกับเราหรือไม่เกิดเนี่ยก็ต้องดูว่า สภาวะธรรมที่เป็นศรัทธาที่แท้จริงเนะ่เกิดขึ้นกับเราหรือไม่ดูตรงไหนในชั้นคาสอนนั้นใช้คำว่าสัทธาหันติเอตายะสยางวาสัทธาหติสัทธานะมัตตเมวาแล้วก็อกวาเอสาติศรัทธาคือลักษณะศรัทธาเป็นต้นเนี่ยก็หมายความว่ า, วาหนึ่ง สภาพที่มีความเชื่อเชื่อต่อสัตยยวัตถุคือสิ่งที่ควรเชื่ออะไรคือสิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมอันพเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเนี่ยเชื่อขันทธาตุอเยตนะที่เป็นไปในสังสารวัฏไหมเชื่อไม่เชื่อ ถ้าเราไม่รู้จักกรรมเราจะไม่รู้หรอกว่าขันทาตศยตนะหรือกระแสชีวิตเนี่ยนะที่มันผ่านมาในอดีตก็เยอะแล้วมันจบไปแล้วเนี่ยนะแต่กรรมที่มันทําไว้เนี่ยมันไม่จบเพราะที่มันยังไม่ให้ผลนะมันมีอีกเยอะเนี่ยนะหรือศรัทธาเชื่อว่ากระแสของชีวิตเนี่ยมันจะเป็นไปในอนาคตด้วยสรุปประเด็นก็คือเชื่ออะไรเชื่อปฏิจจสมุปบาท เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยมีวิจิกิจฉาเยอะคนที่มีวิจิกิจฉาเพราะไม่เชื่อสงสัยว่าพระเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงหรือไมย่ยกตัวอย่างเช่นสงสัยมหาปุริสลักษณะและก้าอนุพยัญชนะของพระเจ้าว่าจริงหรือ ทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีพระรูปอย่างนั้นใช่ไหมทำไมจึงมีอนุพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบท่วนอย่างนั้นที่สงสัยในพระพุทธเจ้าและสงสัยคุณด้วยเช่นสงสัยสัพพายุตยานจริงหรือสัพพายุตยานของพระบรมศาสดานี่ยสามารถที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าบ อ, บอกว่าโรกธาตุมีเท่าพยานของพ่อปรมศาสดามีเท่าไหร่โลกธาตุก็มีเท่านั้นโลกธาตุมีเท่าไหร่พยานก็มีเท่านั้นโลกธาตุและพยานของพ่อปรมศาสดานั้นไม่ล่วงกันและกันไม่ล่วงเกินกันและกันมันเป็นไปได้เช่นขันธาตุอายตนะของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาลทั้งสิ้นเนี่ยสัพพัญญุตยานของพระบรมศาสดาเคยสัมผัสหมดเลยเราเชื่อไหม ทำไมคนมีสัพพยุตยานกว้างใหญ่ไปสาลขนนั้นก็แสดงว่าขันทา่าไดยตนะของเราทั้งหลายที่นั่งกันอยู่ที่เนี้พยานของพระบรมศาสดาเคยสัมผัสแล้วเคยตรวจสอบแล้วตรวจสอบสัตทินีวิริยินีสตินีสมาตินีปันยินีเรียบร้อยแล้วว่ายังไม่เข็งแรงแล้วก็รู้ด้วยนะว่าวันหนึ่งเนี่ยนะ ที่สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่จะมานั่งงอกง่วงกันตรงนี้สพัญยุตยานตรวจสอบเรียบร้อยแล้วท่านบนนี้มีความกังวลลังเลสงสัยเยอะอะไรงเงี้ยนเห็นไหมว่าสัพัญยุตยานะตรวจแสวสอบกระแสขันพวกเราได้หมดเกลี่ยงหมดแล้วเราก็กเป็นไปได้เลย อย่างนี้เือยตรวจสอบแล้วหลุดหลุดจากพุทธญาณทำไมยังหลุดจากพุทธญาณเพราะเราไม่แข็งแรงอะไรเป็นปัใจจัยให้เราไม่แข็งแรงถ้ามองตรงไหนมองอิทธิบาทเราแข็งอิที่นั่งอยู่นี้ใครมีอิทธิบาทแข็งแรงบ้าง ใครเคยทำให้อิทธิบาทเกิดขึ้นในกระแสจิตได้บ้างเอาว่าชันทิ่ทีบาทเนี่ยฉั้นทิ่ทบาทเนี่ยเกิดไหมเขาบอกว่าในคำสอนท่านใช้คำว่าอิจฉนังอิทธิอนุความสำเร็จชื่อว่าอิทธิก็หมายเอาอะไร หมายเอาการสำเร็จฌานสำเร็จอภินยาสำเร็จมรรคและผลฉะนั้นในพระศาสนาอันประเสริฐของพระบรมศาสดาเนี่ยท่านพูดถึงอิทธิไว้ห้าอย่างใช่ไหมอภินยเยยเยสุทำเมสุอภินยาสิทธิการสำเร็จแห่งการรู้ยิ่งใน รูปนามขันห้าที่ควรรู้ยิ่งอันนี้เป็นสิทธิข้อที่หนึ่งเป็นสิทธิข้อที่หนึ่งประการที่สองปริญเยยเยสุทำเมสุปริญญาสิทธิการสําเร็จแห่งการกําหนดรู้แห่งการรอบรู้ในทุกขัจสะที่ควรรอบรู้นี้เป็นสิทธิข้อหนึ่งเป็นข้อที่สองใช่ไหม ประการที่สามตหาตาเพสุรมเมสุปหาณสิทธิการสำเร็จแห่งการละคือการประหารในทุกขสมุทยสัจจก์ก็คือตันหาที่ควรละเป็นสิทธิอีกข้อหนึ่งข้อที่สี่สัจจิกาตาเพสุทำเมสุสัจจิกริยาสิทธิ การสําเร็จแห่งการทําให้แจ้งในธรรมที่ควรทําให้แจ้งคือพระนิพพานอันนั้นเป็นสิทธิข้ออีกข้อหนึ่งประการที่ห้าพาเวตเพสุทำเมสุภาวนาสิทธิการสําเร็จแห่งการเจริญในธรรมที่ควรเจริญซึ่งเป็นมรรนี่ยนะนี่เป็นสิทธิอีกข้อหนึ่งสรุปแล้วว่าอิทธิบาทห้าประการเนี่ย เราได้ได้กระทำหรื อ, อยังในข้อแรกที่บอกว่าปริญญาสิทธิอภิญญาสิทธินเนี่ยการสำเร็จแห่งการแยกแยะการพิจารณาปรมาถ ธ, ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ในศาสนาของพระผู้มีภาคเจ้าโดยสภาวะลักษณะและโดยสามัญยลักษณะเนี่ยอย่างชำนาญอย่างชาญฉลาดในคำพี และในคำสอนของผู้เรียญเนี่ยนะสามารถเจาะทะลุทะลวงได้อันนี้เป็นอภินยาอภิน ย, ยสิทธิเนะเราเอาพูดอย่างี้นะถ้าพูดถึงเรื่องวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเนี่ยเราได้แยกแยะไหมลักษณะของวิจิกิจฉาเป็นยังไงเราได้แยกแยะไหมสิทธิข้อนี้เราได้แยกแยะรายละเอียดไหมว่าเออวิจิกิจฉาเนี่ย ความเอาที่นั่งอยู่นี้ใครมีวิจิกิจชารไม่มีมีไม่มีสงสัยในคุณของพระเจ้ามีไหมยิงหรือสงสัยในพระธรรมอาคุณสงสัยไม่สงสัยสงสัยในพระสังฆาคุณไม่สงสัยอีกเลย สงสัยในขันธาตุอยายตนะที่เป็นอดีตสงสัยในขันธาตุอยายตนะที่เป็นอนาคตสงสัยในขันธาตุอยายตนะทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทไหมสงสัยหรือไม่สงสัยนั่นแหละชื่อว่าสงสัยในคุณของพระเจ้าเ <laughs> นี่ยที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยมีวิจิกิจฉาเต็มไปหมดเลย การมีวิจิกิจฉานี่แหละจึงเป็นเหตุทำให้เราไม่ได้เป็นพระโสดาบันทีนี้วิจิกิจฉาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ลังเลไหมลังเลไม่ปักใจเชื่ออย่างแน่นอนใช่ไหมไม่ปักใจเชื่ออย่างแน่นอน ทำไมทำไมจึงไม่ปักใจเชื่อเพราะอะไรอ่ะเดี๋ยมาจะไล่วิจิตรฉายดูเนะว่าจริงๆเราสงสัยหรือไม่สงสัยนะเอาทุกคนเลยนีลองนั่งนั่งเราเราคิดดูว่าเรามีข้อนี้หรือไม่ประการแรกสงสัยในคุณของพรนะเจ้าเนาะสงสัยพระเจ้าเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีจริงหรือไม่จริง นี่ในสงสัยนะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่จริงนี่สงสัยแล้วเช่นอนาวราณายานอินเทียปโรปริยติยานอาสญาณุสิยานมหากรุณาสมาปฏิยานอะไรกเยอะแยะไปหมดนเนี่ยนเช่นถ้าบอกว่าสมาบัติของพระบรมศาสดามีสองล้านสี่แสนกดสมาบัติในวันที่ตัตสรู้ที่ทรงเข้าเนี่ยยุ่งแล้ว ยุ่งอะไรตรงนี้สงสัยอนาวรณญยาณของพระศาสดาที่รู้อย่างทะลุทะลวงไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางได้เจาะทะลุทะลวงหมดสพันยุตยานรู้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าพระบรมศาสดาถ้ามองอย่างนี้นะว่าพระศาสดาเนี่ยอปมาโนพุทโธ คือไ ม, ไม่มีใครสามารถที่จะวัดได้เลยว่าคุณของพุทธเจ้ามีเท่านั้นเท่านี้เท่านี้วัดไม่ได้เลยถ้าจะพารนาคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยพารนาไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเอาสิที่ท่านยกตัวอย่างว่ามีไม่จะยกตัวอย่างเป็นเรื่องจริงๆที่ว่าเกิดขึ้นในลังกามีพระมหากษัตริย์อยู่ท่านหนึ่งที่ว่าไปฟังพุทธคุณคาถาจากพระ เทระรวมหนึ่งออพร ะ, ะ, ะพุทธลักขิตะกาลพุทธลักขิตะเทระท่านแสดงพุทธคุณตั้งแต่หกโมงเย็นยันหกโมงเช้าแสดงไม่หยุดเลยนะอะสมมตามาสายทยายไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยมีใครจะทนฟังไหวไหม สาธยายพ อ, ปอไปตามลำดับเนี่ยทีนี้พอท่านสาธยายหกชั่วโมงเออสิบสองชั่วโมงจบนี่นะท่านได้ยินคําว่าสาธุสาธุสาธุเนี่ยอยู่ลังอยู่ท้ายสระเนี่ยนะคนทั้งสลาก็เหลียวไปดูพอเหลีวไปดูเบสเสร็จพระเถลาก็ถามโอ้มหาวพิธบอกว่า สเสด็จมาตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านก็กราบบอกกับพระเทละว่าว่าข้าแต่ท่านมาเดีลยวบอกว่าพระคุณเจ้ายมมาตั้งแต่หกโมงเย็นเนี่ยแล้วก็ยืนยืนฟังทรรมอยู่อย่างนี้ไม่ได้ขยับเลยนี่ในยืนฟังเนี่ยก็หกโมงเช้าพระเทเะก็สาธุแล้วก็ โอ้มหมาบอพิษทําสิ่งที่ทําได้ยากที่สุดที่ที่มนุษย์ธรรมดาจะทําได้เนี่ยใช่ไหมเอามีใครยืนฟังทำได้ถึงชั่วโมงไปที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยยืนฟังนะได้ไหมทีนี้ก็บอกว่าสิ่ง ท, ท่านก็บอกว่าสิ่งที่โยมทําได้มากกว่านี้อีกท่าก็ถามวาอะไรในขณะที่โยมยืนบรนนมมือฟัง พระคุณจเจ้าแสดงธรรมเนี่ยโยมไม่ได้ส่งจิตไปทั้งอื่นเลยกระแสจิตของโยมสัตทินสีวีรินสีสติินสีสมาตินสีปั ญ, ญินสียโยมตามกระแสพระธรรมเทศนาของพระเถระในพุทธกุณนรตะขาซึ่งมีความไพเราะมั่งพระเถระเขาบอกว่าโอ้โหทำสิ่งที่ทําได้ยากมากม ยากไหมการฟังแล้วไม่ส่งจิตไปทางอื่นเลยเนี่ยถ้าสมมุติอามาจะสาธยายเนี่ยสาธยายเป็นไปตามดาบอกว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังมะกะวาภารานาสิยังวิหรารตีอิสิปะตะเนมิกกดาเย ตัตระโคบาคาวาปั ญ, ญาวาคยบิคูอะมันเตศีไล่ไปตามดับเนี่ยพราะจบสูตรก็แปลทุกสูตรทุกสูตรไล่เงี้ยสมมุติเนี้ยนะหรือแสดงพุทธคุณในคาถามาก็เอามาเลยในคัมภี์พุทธวงศ์หรือในคมภีร์อจริยาพิฎกกรมภาษาทายาเป็นบาลีก่อนแล้วก็แล้วก็กล่าวแปลเนี่ย เอามาว่าหลับนี้วใช่ไหมเพราะสมัยก่อนท่านแสดงเป็นไปตามสูตรเนี่ยไม่ได้แสดงลักษณะเหมือนที่เอามาแสดงแบบนี้นะทุกวันนี้จะไปแสดงตามสูตรเนี่ยหลายคนฟังไม่ไหวคือปริมาณปริมาณของกระแสะใจเราจะรับไม่ไหวอ่ะเพราะพระธรรมเทศนาที่พระศาสดาเนี่ยที่หลั่งลงมาสู่กระแสะใจของคนแล้วคือฟังจนบรรลุได้อยูฟังจน ปลาโมดปีติปัสสธิความสุขสมาธิจนยะถาภูรยานทัศนาเกิดและบรรลุในขณะฟังกันได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ ซ, ซึ่งซึ่งซึ่งมุมมุมเนี่ยจะผิดกับที่เราแสดงกันในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไ้ยนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้พอพระเบศร ท, ท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านฟังเนี่ยแต่ยังไม่อิ่มจากพุทธคุณกถาเลย ขอให้พระเถระช่วยอุปมาหน่อยเถอะว่าคุณของพระบรมศาสดานั้นมากมายขนาดไหนพระเถระก็ยกอุปมาไว้ว่าอุปมาเนะเหมือนกับบุรุษท่านหนึ่งเนี่ยบอกไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวเอามารวงข้าวของข้าวสาลีมาหนึ่งรวงบอกพุทธคุณอักถาที่อาจมาแสดงวันเนี้ย เหมือนกับรวงเหมือนกับเมล็ดข้าวในรวงข้าวหนึ่งรวงเท่านั้นแหละแสดงสิบสองชั่วโมงเนี่ยแต่คุณของพระปรมศาสดาที่อามายังไม่ได้แสดงเนี่ยนะเหมือนกับลวงข้าวสาลีที่อยู่ในชมพูทวิปทั้งหมดนั่นแหละคือคุณที่เหลือที่ยังไม่ได้นํามาแสดงพระทาชาก็บอกว่าขอให้พระเถราชช่วยอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกได้ไหม พระเถราก็บอกว่าอุปมาเหมือนบุรุษคนหนึ่งเนี้ยถือเข็มเล็กๆอยู่อันหนึง่งไปที่มาหาสมุทรพอไปถึงที่มาหาสมุทรก็เอาเข็มเล็กๆจุ่มลงในมาหาสมุทรน้ําที่ลอดรูเข็มอ่ที่จุ่มเข้าไปเนี่ยก็คือพุทธคุณนกถาที่อาตมาแสดงในคืนนี้สิบสองชั่วโมงแต่น้ําที่ไม่ได้ไหลไหลผ่านลอดรูเข็มที่ยังเหลือในมาหาสมุทรทั้งสิ้นเนี้ย นั่นคือคุณของพระบรมศาสดาที่อาตามา ย, ยังไม่ได้กล่าวยังไม่ได้แสดงพระราชาก็บอกช่วยอุปมาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่า น, นี้ได้ไหมพระเถเรซก็บอกว่ามีนกแอนลมนกนางแอ่นไม่นกแอนลมนี้ที่บินอยู่เวนบรรอากาศปรีกและหางของนอกแอนลมที่กระทบกับอากาศที่บินล่อนอยู่ก็เท่ากับที่ พุทธคุณนาคถาที่อาตมาสแสดงสิบสองชั่วโมงแต่อากาศที่เหลือในจักรวาลทั้งสิ้นนั้นคือคุณของพระศ า, ศาสดาที่อาตมายังไม่ได้นำมาสแสดงโอ้ท่านเกิดปราโมทปีติปะสะัสสิทความสุขล้นพ้นเรายังคิดไม่ออกเลยใช่ไหมเนี่ยนี่คือคุณของพระพุทธเจ้าอัปมาโนพุทโธัหม หาประมาณนี้ได้ถึงบอกว่ามีปากร้อยปากเนะแต่ละปากมีลิ้นอยู่ร้อยลิ้นแต่ละลิ้นไม่ได้ทำกิจอย่างอื่นเลยนะภรนาคุณของพระศ า, าสดาเนี่เนจะนกลับนี้สิ้นไปคุณของพุทธเจ้าก็ยังไม่หมดเอางี้นะว่าพระพุทธเจ้าเนะี่ย พลานาคุณของพทะเจ้าด้วยกันเองเนี่ยนะกลับนี้แตกดับไปเนี่ยนะคุณพระเจ้าก็ยังไม่หมดนี่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะพระศ า, าสดานั้นสร้างบา ร, รมีมามากกว่ากลับไหมมากกว่ากลับมากกว่าอสงไขยกลับไหมมากกว่ามากกว่ามหากลับไหมมากกว่าใช้คําว่ามหาอสงไขยเล็ก สครั้งเป็นมหากัอบใหญ่ในมหากัอบใหญ่เนี่ยนับโลกใบเนี่ยจักรวาลเนี่นะโลกใบนี้แตกดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แตกดับแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับเท่ากับเลขหนึ่งตามเลขศูนย์ร้อยสี่สิบศูนย์นั้นเรียกว่าหนึ่งอสงไขยใหญ่กัอบใหญ่แล้วแตกไปอย่างเงี้ยยี่สิบรอบ นั่นก็คือการสร้างบารมีของพระศาสดาเอาไปคิดเอาไปคำนวณบรรดานักคิดทั้งหลายเนี่ยนักคำนวณทั้งหลายเนี่ยแล้วจะได้เห็นคุณของพระศาสดาว่าเป็นอย่างนั้นอันนี้สอนให้กับผู้บรรดานักคิดเนี่ยที่ใครใครชอบตัวเลขในการที่จะคิดจะได้เข้าใจคุณของพระศาสดาแต่ถ้าเราเชื่อแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมากขนาดนั้นเพราะคนบางคนเนี่ยต้องคิดขนาดนั้นใช่ไหมตั้งจะปริมาณทําให้เกิดความ เห็นคุณของพระศ า, าสดาเป็นต้นได้แต่ความสงสัยในคุณของพระบรมศาสดาเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีสงสัยอย่างยกตัวยอย่างเช่นพระศาสดาอุบัติเกิดขึ้นมาเดินเจ็ดเก้าก็สงสัยแล้วใช่ไหมสงสัยแล้วไอ้พระศาสดาเนี่ยถางเหมือนไงนเนี้ มีทามพลหนึ่งต้องการอยากจะวัดความสูงว่าพระศ า, าสดานี่มีพระวรกายสูงเท่าไหร่ก็ไปตัดไม้ไผ่ลำหนึ่งอย่างยาวเลยนะก็ไปยืนอยู่ที่ประตูเมืองพอพระศาสดาสเสด็จมาก็เอาไม้ไผ่ค้ำว่าพุทธยาจะสูงย่งนะแค่พระชานุมณฑนเพราะเขา ไม่ไผ่ล้ำเอ๊ะไม่ได้จวต่อยอกลําดีกว่าหรือว่าลุกขึ้นก็มาต่อยอ ก, ก็วัดได้เท่าเดิมเนี่ยเข้าใจคําว่าเอาประมาณโนพู้โทไหมอันนี้แค่รูปประกอบนะฉะนั้นพื่อเจ้าแนวะประมาณได้ไหมประมาณไม่ได้อสุรินดาลาหูอยู่ไหมอสุรินดาลาหูนี่ตัวโตไหมใหญ่โตมาก ระหว่างคิ้วของอสุรินราหูเนี่ยห้าสิบยอดระหว่างคิว้วระหว่างคิ้วกับีกับหัวใจเนี่ยสามร้อยยอดไปดูจุดอื่นไม่ต้องพูดถึงจะไปเป้าพรธเจ้าก็ทุกข์ใจใเลอเกิน พระเจ้าจะขนาดนี้เล็กๆเนี่ยเราจะทํำยัำยงไงเนี่ยแต่ก็ความปรารถนาจะเบเฝ้านี่นะวันนั้นป้านนก็ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยเอาเตียงเนี่ยนี่ยแทนบรรทมมาพุทธเจ้าก็เอ๊ะจะจะปรดอสุริน德าหูด้วยท่าไหนเนี่ยในยาบทไหนอายาบทนอนนะ่อสุริน德าหูเขาบอกลงในมหาสมุทรเนี่ย มาสมุดเนี่ยนะ น, นแค่ครึ่งแข่งของอสุรินทราหูเนอะท่านเป็นเทพเนะไม่ใช่มาในฐานะเป็นเป็นเป็นมนุษย์เน้นเนะทวดาพอมาเขาจริงๆเบีดเสร็จเนี่ยมองไม่เห็นบุพพาของพระเห็นแค่พระบาทเนะนี่ยนิ่งไงพุทธิย่าเจนโอ้โหต้องขอเข้ามาเลย พอคิดล่วงเกินบุริยาเหมือนเท้าสกาตอนที่พระบรมศาสดาไปประทับเดาดึงตอนพรรษาที่เจ็ดใช่ไหมหลังจากแสด ง, งยมา ก, กับปฏิหารแล้วเสด็จขึ้นไปเท้าสกาก็เป็นทุกข์ใจเรื่องท่านวัชราบรุษท่านปันทุกกรมพลศิลาอาจเนี่ยใหญ่โตมากอะความกว้างต้ง300องเป็นสามร้อยโยนนเลเดี๋ยวความกว้างต้องรู้สึกเออ รู้สึกประมาณหกสิบยอดไม่แน่ใจหกสิบหรือห้าสิบยอดเนี่ยยอดหนึ่งสิบหกิโลเมตรเลยยอมต้องมันนั่งท่านก็นั่งทุกข์ใจว่าจะทํำยังไงพระเจ้ามันนั่งแล้วจะจะจะสง่าได้งไงองค์ท่านเล็กๆเนี่ยพอพระศาสดาขึ้นไปยิงพระศาสดายนสังกติไปตอนนี้สังกตินี่คมปรดี๋นะปันทุกข์กำบลนศิลาอาสน์แล้วก็ประทับนั่งหนึ่ง แน่นพอดีเลยนนั่นแหละคือพระเจ้าเท้าสกะต้องขอเข้ามาเลยที่ล่วงเกินเน่ะล่วงเกินพุทธยาณพุทธคุณข้าพระองค์ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเห็นไหมกันาะเทวดาระดับเท้าสกะยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยอ่ะนี่ไงคือพระพุทศาสดา ทีนี้ถ้าใครไม่กล้าที่จะกล่าวคุณของพระศ า, าสดาในย่านนี้เขาแปลว่าไม่เห็นคุณนี่ไปสำคัญว่าพระศ า, าสดาเนี่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ดูว่าท่านทำอะไรมาทำไมท่านถนึงได้ฐานานี้แล้วต้องดูอดีตเหตุเออท่านสร้างธานบารมีศีลเนคขมะปัญญามาตามลาดับเนี่นะ ด น, นความสงสัยในทุกสิ่งทุกอย่างความมีอยู่ของความเป็นผพระยา่าเนี่ยกลุ่มเหล่านี้วิจิกรอิชาตรงเนี้ยฉะนั้นถ้าเราไปมองมุมนี้เบ็ดเสร็จนี่นะถ้าเราไม่ชักประวัติรายละเอียดนะเหตผลท่านบอกหมดนะว่าทําไมท่านได้ฐานะเหล่าเนี้ไอตรงเนี้ยในการสืบค้นในคําสอนของพระศาสดาซึ่งเราเจาะกันไม่ถึงตรงเนี้ยเราก็เลยตั้งข้อสงสัยยิ่งในการศึกษาประวัติพุทธประวัติในบ้านเราได้แล้วเนี่ย เริ่มต้นกับประสูตเลยใช่ไหมเริ่มต้นกันตั้งแต่พระเจ้าโอกากราชมีต่อมามาตามลดับมาถึงพระเจ้าสุโธธนะแล้ว เ, เบ็ดเสร็จก็มามีนางศิรีมหามายาแล้วก็มาเคาะแล้วทรงประคันแล้วก็มาเคอดแล้วก็เดินในเจ็ดดาวคนสงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยตอเนะี้นี่ไม่ไม่บอกประวัติว่าท่านบําเพ็ญทานบา ร, รมีศีลเนคขมาปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตา แล้วก็เบกขาอุปะปาเรามีอีกธิปรมัตถบรมีสิทผ่านพระพุทธเจ้ามาแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์งมาทางลำดับไม่ดูประวัติท่านนี้แล้วก็ไม่ไปดูในชั้นของคําสอนในทีขัติกายที่พูดในเรื่องของมหาบุริสลักษณะสามสิบสองและอนุพยัญชนะแปดสิบว่าแต่ละอย่างที่ได้มาเพราะทำกรรมอะไรมาเนี่ยพอไม่ได้ชักประวัติหรือศึกษาข้อมูลอย่างเนี้ย พอมาอ่านตูมปัจจุบันก็เรียบร้อยเลยตำหนิสิ่งที่มีว่าคุณนันประเสริฐนี่เนี่ยคือโทษการเรียนไม่ดีเนี่ยเป็นโทษมากๆสองสงสัยปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานเนี่ยสมาธิตีสมาสังขป่าเป็นต้นในมรรคแป จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรือไม่นี่สงสัยแล้วเอะจริงไหมเนี่ยถ้าเราเดินสีรักุศุนสมาธิกุศุและปัญญากุศุให้แข็งแรงจริงๆเนี่ยจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานจริงหรือไม่สงสัยแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะสองมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมีจริงหรือไม่เห็นไหมสงสัยพระธรรมเนี่เนี่ย สามพระประยะิยัติธรรมคือพระไตรปิฎกถูกต้องหรือเม่สงสัยไหมเหไหมหนึ่งสงสัยตัวถ้าเราจะเดินตามมักมีองแปดจะเดินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจักบรรลุพระนิพพานจริงไหมพอมาสงสัยอย่างมัชผลนิพพานมีจริงไหม แล้วพระไตรปิฎกพระวินัยยบปิฎกพระสุตตานุปิฎกพระวิทามปิฎกเนี่ยถูกต้องยิงหรือไมอ่นี่ไงวิจิกิจฉาใครมีแบบนี้ไม้ม